ช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมามันมีข่าวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเดิในความสนใจผู้คนก็คือเรื่องโรฮิงญาโรฮิงญานี่เป็นชาวมุสลิมที่อยู่ในพมา่าแต่คนพมา่านี่ไม่ยอมรับว่าเป็นประชากรของเขาคือไม่ยอมรับเป็นชาวพมา่า เนื่องจากเป็นผู้ที่ อ, อพยพมาจากบางคละเทศเมื่อสักคงประมาณร้อยปีที่แล้วพักตร์กรบางคละเทศกับพมา่ามันก็อยู่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเหมือนกันก็เลยเข้ามาได้สะดวกวันนี้ก็ยากจนก็คงจะมา ก็เห็นว่าพม่ามันมีที่ทางธรรมาหากินได้ง่ายกว่าจะต้ออย่างเป็นชาวมุสลิมแล้วก็เป็นพวกที่สมัยนั้นก็เถือเพื่พึ่งมาใหม่ๆนะก็เลยก็เลยไม่ยอมรับเป็นประชากรของประเทศก็เลยเหมือนกับเป็นมาสายเขาอยู่ แล้ภายหลังนในช่วงสิบปีที่ผ่านมาก็ถูกเรียกกฎขีบบีทามากมันเป็นความขัดแย้งที่สะสมกันมานานและต่อหลังชาวพุทธก็มีความกลัวมุสลิมกลุวอิสลามจะมาจะมาครองประเทศก็มีพระปุกระดมให้ เผียดชางพวกอิสลามโรฮิงญานี่ก็โดนโดนลูกหลงเข้าไปเต็มเลยหรือว่าะริเวณแค้นยักษ์ไข่นะซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวโรฮิงญาอยู่เยอะนั่นก็มีการเผามีการทำร้ายกันมีอารฆ่ากาา็มีเกิดจะลาจลขึ้นมาระหว่างคนพม่า ก, กับคนโรฮิงญาหรือว่า พมาถือพุทธลงยาถืออิสลามศาสนาก็เลยกลายเป็นตัวจุดความเก็ดแค้นพวกนิยางยาก็เลยอยู่ไม่ไหวจำนวนนึงก็ อ, อกพยพมา อ, อ พ, พมาทางเรือล่ อ, ลองเรือมามาไทยบ้างมาเลบ้างอินโดบ้างไทยนี่มาง่ายที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้ใกล้ที่สุดก็คือไทย ไกลหน่อยก็มาเลเซียใกลไกลามากคืออินโดตอนังก็แหกันไปแยะรัฐบาลทุกประเทศก็มีนโยบายไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับคือไม่ให้ขึ้นสั่งถ้าขึ้นมาก็ผักสายไป ก, ก็เกิดปัญหาตามมานะคือคน เรยอิงยาวก็ตายกลางทะเลมันก็มีนะให้ขึ้นฝั่งมาได้แนละ้วก็อยู่แบบประเภท ล, ลักรอบขึ้นฝั่งไม่ไม่ไม่สามารถสกัดกันได้ว่าทะเลมันกว้างขึ้นฝั่งได้ก็ต้องทำเป็นค่ายเป็นค่ายผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยฉันก็พูดอพยพหรือว่าภาษาราชการเรียก ว, ว่าผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย คือไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ริภวยเพราะถ้าเป็นผู้ริภวยพปุ๊บนี่มันก็จะมีสิทธิ์สิทธิ์อย่างสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองมันเป็นเรื่องของกฎหมายลวงประเทศมันเป็นเรื่องการใช้คํามื่อที่เราไม่เรียกคนที่ก่อความวุ่นวายในภาคใต้ว่าผู้ก่อาการร้ายเราจะเรียกว่าผู้ก่อความไม่สงบเพราะที่เราเปิดผู้ก่อาการร้ายแล้วมัน เรื่องมันยืดยาวมันจะมีกฎหมายมันจะมีอะไรต่ออะไรเข้ามาคราวนี้คนโรงยาวาล น, นี้ก็อย่างที่เราทราบก็เป็นข่าวบางพวกก็ถูกจับเรียกท่าไทยคือเอาขึ้นฟังแล้วก็ไอ้คนที่ดำเนินการคือพวกนี้มันมีการมันมี กลุ่มคล้ายๆว่าดำเนินการในการพาคนโดยยงยาขึ้นเรือมาโดยให้สัญญาว่าจะขึ้นที่เมืองไทยบ้างขึ้นที่มาเลยบ้าง ก, ก็เรียกเงินนะเรียกเงินหลายหลายพันหรือหลายหมื่นดีกว่านะั้นสองสามหมื่นสี่ห้ามหมื่นคนนี้ก็ยอมจ่ายเพราะว่าบอกมาตายระดับนาบางคนก็ไม่มีเงินนะ ไม่มีเงินก็หวังว่ามามาเมาืองมาเมืองไทยหรือมาเลยได้เงินได้เงินเดือนได้เงินก็จะามาจ่ายเรียกว่าเป็นหนี้นะแต่บางพวกไอ้พวกผู้ที่พวกที่มิชฉาชีพมันก็ถือโอกาสจับเป็นตัวประกันและให้ญาติพี่น้องที่พามาที่ไทย หรือมาเลยเนี่ยที่มาตั้งลกลากเนี่ยส่งเงินมาถ้าหกมื่นแสนถ้าไม่ให้ก็ค่าเป็นข่าวแต่ที่เป็นประเด็นสำคัญคือว่ามันก็มีเสียงเรียกร้องว่าไม่ไม่ควรรับคนเหล่านี้เข้ามามีการพยายาม เรียกร้องให้รัฐบาลไทยอย่าไปรับคนเหล่านั้นก็เกิดการโต้เถีง ย, ยงวิพากษ์วิจัยกันว่าควรรับหรือไม่ควรรับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้ต่างประเทศก็เข้ามากดดันด้วยเพราะว่าเขาเห็นพวกเห็นข่าวเห็นภาพพวกโรฮิงยาเรียกว่าขาดอาหารขาดน้ำ อยู่กลางทะเลไม่มีใครรับแล้วไม่มีใครรับจะไปไหนมันก็ตายสถานเดียวนะอยู่ในถ้าอยู่กลางทะเลนะแบบนี้มันก็ไม่ใช่มีเป็นร้อยเป็นพันเป็น 100, หมื่น 100. หรือเป็นแสนตอนนี้หลายคนทั่วโลกก็เขาก็จับตามองที่ไทยมาเลยียอินโดนีเซียโอนทอมมาก้วยว่าเนียจะทำงางกับชาวโรฮิงญา อเรื่องคลื่นมนุษย์ผู้อพยับผู้รีภัย์มันก็มีมาเปเรื่อยๆนะเมืองไทยเราก็เคยเจอสมัยที่เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเมือสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ครบสี่สิบปีพอดีสามสิบเมษาเนี่ครบสี่สิบปีที่เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ก็ชาวเวียดนามหลายคนก็ทนความอีกขั้นของคอมมิวนิสต์ไม่ได้ ก็ล่องเรือมามาทางเอาไทยมากันเป็นหลายแสนนะเรียกว่าเฉพาะที่มีการบันทึกเอาไว้ก็เป็นล้านนะเป็นล้านทีเดียวมาที่เมืองไทยไทยกัแล้วก็ลหลงไหลแล้วหลงไปทางมาเลบ้างตอนนั้นก็มีการตกเียงกันนะว่าควรรับไม่ควรรับนะ มันก็เหมือนกับตอนนีนะ้คนไทยหลายคนก็บอกว่าเราไม่ควรรับเราไม่ควรจะเป็นม้าอารีรับมาแล้วเป็นภาระแต่ผ่านมาถึงปัจจุบันก็พบว่าที่เรารับมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็กลับไปไปตั้งรกรากที่ประเทศอื่นนะเป็นไปอเมริกาบ้างไปฝรั่งเศสบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็กลับประเทศ ซึ่งสมัยนั้นมันก็ไม่มีความว่าจะกลับประเทศได้เพราะคือ เ, เป็นคอมมิวนิสต์ไปตลอดการก็คงไม่มีใครอยากจะกลับแต่ก็อย่างที่เรารู้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคอมมิวนิสต์เดี๋ยวนี้มันก็เป็นประเทศทุนนิยมแบบหนึ่งนะคนก็กลับไปกลับไปทำมาหากินหลายคนกลับไปแล้วก็รวยกว่าเดิมก็ที่ตั้งลกล่านอยู่ในเมืองไทยก็น้อย แต้ตอนนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะว่าพวกเวียดนามที่กเพกียบรีไัยเขาเรียกมนุษย์เรือบ o ็อดพีเพินี่ตระกลูลลำบากมากเลยเรือล่มตายกลางทะเลหรือว่าที่แย่คือเป็นพวกโจรสลัดมาปล้นเพราะพวกนี้เนเวลาขนเวลามาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มากาป่ามันพวกโลหิงยาเนะเอาเงินมาด้วยเอาทองมาด้วยพระวันนี้กาจะไปตายไปตั้งลุกลาที่อื่น รวยมีฐานาะควกกนสลัดจนสลัดไหนจนสลัดไทยนี่แหละก็ไปป้นบ้างปนไม่มพอบางทีคมคืนอีกคมคืนใส่ก็ก็ต้องหาทางปิดปากนยก็โยนลงทะเลหรือไม่ก็ฆ่าหมดเลยเพราะว่าถ้าหาว่าคนเวียดนานมที่ถึงฝั่งไทยเนี่ยก็อาจจะฟ้องตำรวจหรือว่า ให้ตำรวจเล่นงานไอ้พวกนี้เนี่ยก็คงกลัวตำรวจจะจับก็เลยฆ่าหมดอ น, นาดยิ่งกว่าโรฮิงญาเนะก็มีหลายประเทศ ก, ก็ยื่นมือมาช่วยเหลือก็เรียกว่าเรื่องก็สงบไปที่อยเมืองไทยนี่ถ้าเมืองไทยกเกิดจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะเพราะว่าคอมนี้มันมยู่ติดประชิดชายแดนเลย มาไอเนลาคอมมตนี่ก็คอมมินิสต์แล้วก็มีความเชื่อว่าเนี่ยโอกาสที่ไทยจะเป็นคอมมินิสต์นี่5้าสิบห้ิบเเดียวบางคนก็บอกว่าเนี่ยชัวรนะ์คอมมินิสต์แน่เพราะว่ามันเป็นคอมมินิสต์กันทั้งแถบแล้วคนที่เกิดไม่ทันช่วงนั้นก็คงไม่รู้นะว่าคนไทยก็จำนวนมากก็ที่ ร, รวยนะ ก็เตรียมแล้วเนี่ยเตรียมไปตั้งรกรากในอเมริกาขนเงินขนทองขนทรัพย์สมบัติไปเนี่ยมันเริ่มขนขึ้นรื่บินก็เป็นหลายกระเป๋าแล้วก็มีเมืองไท ย, ยถ้าเกิว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันนะคงจะมีมนุษย์เหลือมนุษย์เหลือนี่อพยพเนไปมาเลเซียไอ้ที่มีปัญญาก็ขึ้นเองบินไอ้ที่ไม่มีปัญญาก็ เดินเท้าหรือไม่ก็นั่งรถหรือไม่ก็ล่องเรือคนไทยก็จะเป็นผู้มนุษย์เรือแล้วเราคงจะประสบชะตาการรมเดียวกับชาวเวียดนามเนี่ยคือตายกลางทะเลบ้างหรือไม่ก็ถูกปล้นบ้างลองนึกภาพถ้าเราลอยคออยู่กลางทะเลเนี่ยเราจะหวังพึ่งพาใครได้ก็ต้องหวังพึ่งคนที่อยู่ข้างหน้า คนในประเทศที่เราขึ้นฝั่งนะคนไทยในยเกือบจะมีชะตากรรมเดียวกับพวกโรฮิงญาทุกวันนี้นะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าเออถ้าเราตกในชะตากรรมเดียวกันนียเราเราอยากจะให้คนตามฝั่งต่างๆที่มันปฏิเสธเราไหม มันก็มีนะสมัยโน้นเนี่ยมีเรือพอเรือจะขึ้นฝั่งนะเรือเวียดนาม น, นะจะขึ้นฝั่งไทยเช่นสงข라이่เงี่ยก็จะมีเรือของทางการนี่นะไม่ยอมให้ขึ้นนะแล้วก็ลากเรือลากเรือของพวกเวียดนามเนี่ยออกทะเลไปเลยนะมันก็เป็นข่าวคราวนะว่าโหดร้ายมากเลยไม่ยอมให้ขึ้นฝั่งถือว่าเป็นผู้ริภัยถือว่าเป็นผู้ที่เข้ามือผิดกฎหมายก็ไม่ยอมให้ขึ้น เรือเรือลบนี่แหละนะลากเหลือเรือเล็กๆของคนเวียดนามเนี่ยออกไปกลางทะเลแล้วก็ไปตายที่นั้นเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้นะเพราะว่าสายตามันจับจ้องมากกับกรณีโรฮิงญาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงในภาพดาวเทียมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมคือไม่ยอมรับมีการผักไส บางแห่งก็ดีหน่อยนะบอกว่าให้ข้าให้น้ำแต่ไม่ให้ขึ้นฟังแล้วก็ไปตายดัดหนาซึ่งก็ตายจริงๆตอนแล้วนี่มีการถกเถียงกันในหมู่คนไทยนะหลายฝ่ายนีงก็บอกให้รับมีฝ่ายนึงก็บอกว่ารับไม่ได้นะหรือว่าบางทีก็ดานะ่าพวกโรฮินญาพวกนี้มันมันหาเรื่องนะใสาหาที่ตาย คือคนราธรรมชาติคนร้องถ้ามันไม่เดือร้อนจริงนะมันไม่มีไม่มีความคิดที่จะจากบ้านเกิดมืองนอนมันหรอกแล้วคนเวียดนามนี่ขเขาถ้าก็ไม่ไหวจริงเขาคงจะอยู่ในการที่จะไปไปเสี่ยงตายกลางทะเลเนี่มันแสดงว่ามันอยู่ไม่ได้จริงนะอยู่ไม่ได้จริงก็ต้องมาเสี่ยงตายกลางทะเล หลายคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเมืองไทยรับนะโดยยาวก็จะแห่กันมาเรื่อยๆก็จะแห่กันมาเรื่อยๆก็จะรับไม่ไหวนะหลายคนก็อ้างว่าเมืองไทยมันก็ทรัพยากรมันจำกัดแล้วจริงๆมก็ไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่าทุกวันนี้รัฐบาลกำลังกุ้มใจนะว่าประชากรกาลัง ประชากรมันกำลังหดกาลังหายตอนนี้รัฐบาลมิมวิโบายนะจะเพิ่มประชากรส่งเสริมให้คนแต่งงานแล้วก็มีลูกกันมากขึ้นซึ่งก็คงไม่สำเร็จเพราะว่าหลายประเทศทำแล้วก็ไม่สำเร็จเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นยุโรพวกนี้ก็พยายามให้แรงจูงใจใคนแต่งให้คนมีลูกมากขึ้นแทนที่มีลูกหนึ่งคนสองคนก็มีลูกสามคน แต่ว่าที่ไหนก็ไม่สำเร็จไอนโยบายมันแสดงแสดงว่าเราต้องการประชากรมากขึ้นก็แสดงว่าเรายังเลี้ยงไหวหรือเรายังมีปัญญาที่จะเลี้ยงคนมากขึ้นนะถึงมีนโยบายแบบนี้ตอนนี้ถ้าถ้ามองไประยะยาวแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราพูดเรื่องของเม็ดเงินล้วน วิธีเดียวของวิธีเดียวที่ประเทศต่างๆจะเพิ่มจำนวนประชากรได้คือเอาคนจากข้างนอกเข้ามานะไม่ใช่เพิ่มการเกิดนะเพราะว่ามันไม่สําเร็จสิงคโปร์ก็ต้องก็ต้องยอมรับนะเอาแรงงานต่างชาติเข้ามาเพราะว่าคนสิงคโปร์มันไม่ไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมมีลูกกันซึ่งก็เป็นทุกที่นะเพราะว่าพอมีเงินแล้วก็มีลูกแค่คนเดียวก็พอแล้วการแต่งงานคนแก่มากขึ้น คนแก่มากขึ้นหนุ่มสาวน้อยลงเนี่ยมันก็เป็นภาระ <Yeah. S 1> หลายประเทศ ต, ต้องพยายามเอาคนจากข้างนอกเข้ามาเพื่อจะได้มาเป็นกําลังแรงงานอย่างบ้านเราตอนนี้ถ้าไม่มีพ่อแม่นะมีพม่อม่มีลาวมีข้าวเหนะีเราแย่แล้วเพราะว่ามันมีคนไทยที่จะไปทําอาชีพหลายอย่างอาชีพแมบ้านเหลานี้ไม่มีใครทําแล้วนอกจากพา่อแม่ แต่ก่อนอาคนอีสานก็ามาเป็นเป็นเป็นคนใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีอีสานคนไหนเป็นคนใช้แล้วก็ต้องเอ า, าเข้ามาเขมาบางทีก็เอาเวียดนามเข้ามาเอาเขมรเข้ามาท่าเด็กปั๊มนี่เดี๋ยวนี้ก็คนไทยมีนอนไว้เรื่อยๆต้องเอาพมา่าเข้ามาพวกปิีดยางพวกแรงงานในในประมงก็ไม่มีคนไทยแล้วมหาชัยนี่ โรงงานเนมหารชไชนี่ต่างด้าวคือพอม่านั้นอันอนี้มอญนี่หนึ่งเราก็เป็นหนี้เราก็ต้องพึ่งพาคนต่างด้าวนะไอที่บอกว่าโอ้ยพวนี้มันเป็นภาระเป็นพาล้างจริไม่ใช่หรอกก็ส่วนหนึ่งเป็นพาระอีกส่วนหนึ่งก็เป็นกําลังที่ทําให้พวกเรายังมีอยู่กินแบบสบายไม่งานนี่ ข้าวของจะแพงมากเลยเพราะว่าถ้าให้คนไทยมารับจ้างค่าแรงก็จะสูงค่าแรงสูงข้าวของก็จะราคาแพงไอ้ที่ยังมีกินมีใช้อยู่ข้าวของไม่แพงไปมากกว่า น, นี้ก็เพราะว่ามีพวกพวกต่างด้าวนี่แหละมาไม่ใช่มาเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็เกิดว่าเรา เราเราเลี้ยงเขาดีๆนะก็สามารถจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพได้ <c oughs> ก็มือคนแอฟริกาเนแอฟริกาที่ อ, อพยพไปอเมริกาที่แบบที่ถูกบงังคับไปเป็นทาสก็มีแล้วก็ที่ อ, อพยพไปก็มีนะในพนี้เนี่ยคนอเมริกาก็รังเกียจนะดูถูกเป็นพวกที่เป็นพวกมันขยะคุณภาพตำ่ำนะ แต่ถ้าเลี้ยงเขาดีๆนั้นะลูกเขานี่ก็เป็นประธานาธิบดีได้นะอย่างโอบามาเนี่ยพ่อก็เป็นแอฟริกาเนะี่ยซึ่งคนอเมริกันก็เยียดนะแต่คนเรานี่ถ้ามันได้รับการดูแลใจใส่ดีนะนก็แม้จะมาจากครอบครัวมาจากถิ่นฐานที่ตกต่ำย่ำแยงก็สามารถจะกลายเป็นคนมีคุณภาพได้ พวกโรฮิญาพวกนี้เนี่ยที่เราหมอเาเป็นพวกที่มือขยะไม่ควรจะรับนะที่จริงถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆนะให้การศึกษามีสวัสดิการปฏิบัติเข้าเหมือนคนเหมือนกับมนุษย์หรือเหมือนคนไทยนะเขาก็สามารถจะเป็นคนที่มีคุณภาพได้แล้วตอนนี้เนี่ยประเด็นมันไม่มัน มันอยู่ที่ว่าหลายคนก็คิดถึงประโยชของประเทศมาว่าถ้ารับไปแล้วนี่มันจะเกิดปัญหาผู้อพยพก็จะมามากขึ้นแล้วคนเหล่านี้เนี่ยคงจะหวังกลับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยคงไม่กลับประเทศหรอกหรือกลับประเทศไม่ได้อันนี้คำพูดนี้ก็มีเหตุผลนะ ว่าสมการนี้เราช่วยพม่าช่วยคนเวียดนามได้เพราะว่าคนเวียดนามเนี่ยเมื่อเขาลืมตาผ่านแล้วเขากลับประเทศหรือไม่ก็มีประเทศที่สมรับแต่โรกิง ญ, ญานี่ไม่มีประเทศที่สามใหญ่ที่ไหนอยาจะรับเพราะเป็นพวกที่แย่ไม่มีความรู้แล้วก็ประเทศตัวเองก็คงจะไม่ไม่ยอมรับหรือกลับไม่ได้ไม่อยากกลับด้วย ก็หมายความว่าต้องมาเป็นภาระให้ประเทศเจ้าบ้านนี่อบอุ้มไปตลอดการแต่ก็อย่างที่บอกนะว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะดูแลเขายัางไรคนที่เบร์นี่เขากลับบ้านเขาอพยพมาอินเดียเขากลับจีนไม่ได้เหมือนกันนะไอ้เขากลับที่เบไม่ได้เหมือนกันนะคนที่เบรทั้งหลายเนี่ย เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเลยยจะเป็นล้านเนี่ยออกจากที่เบตกลับไม่ได้เพราะว่าที่เบรเป็นคอมมานดิตมันกดขี่บีทามากมาอยู่อินเดียไม่มีความว่าจะกลับประเทศถึงแม้อยากจะกลับแต่ปรากฏว่าคนที่เบตนี่กลายเป็นพอเขาอยู่ไปอยู่ไปนี่นะเขาก็กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมากอย่างที่เรารู้กันนะว่า เป็นที่ต้อนรับของนานาชาติมากคนที่เบตโดยเพราะพระที่เบตเนี่ยได้รับการต้อนรับจากที่ตา่างๆตั้งพต่ในอเมริกายุโรป ก, ก็ไปเป็นครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดสมัยพวกไอริชเนี่ยมันหนีภยัยคือมันมีโรคระบาดไอพวกพืชผลกา ร, กรเกษตรที่หายไวร์หมดก็พวกไอริชก็หนีเอาพยพมาอยู่อเมริกา พวกนี้ก็ไม่คิดจะกลับนะเพราะว่ามันลําบากยากแค่เหลือเกินแถมว่าคนาศาสนากับพวกอังกฤษด้วยองกฤษมันไปครองไอริชไอร์แลนด์อยู่เนี่ยอังกฤษเป็นโปรเตสแตนตส่วนไอริชมันเป็นคนเป็นคาทอลิกก็หนีตายมาที่อเมริกาอดอยากยากจนเป็นคนเมืองชั้นต่ําในสายตาคน อ, อเมริกันแต่เดี๋ยวนี้ก็ ก็กายเป็นคนมือคุณภาพคนไอริชหลายคนเชื่อสายเลือดหลายคนบางคนก็เป็นประธานที่เป็นเดียงเคนเนดีนี่ก็มาจากไอแลนด์ไอริชนี่โรยยนยายถ้าเลือดดีๆนะเพอเป็นนายกตุลาการตรีได้นะเชื่อสายเนะี่ยก็มึงอันนั้ปัญญารชนเนีนะ่ยก็เชื่อสายก็เป็นมอน น, ะนี่ถ้าพูดถึงถ้าพูดกันจริงๆมันก็ คนเหล่านี้จะเป็นขยะหรือไม่มีที่ว่าเราปฏิบัติเขายังไงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าหลายคนเนี่ยเวลามองปัญหานี้เนี่ยมองจากมุมของคนไทยมองจากผลประโยชนของคนไทยแล้วพอมองด้วยผลปรี่ยของคนไทยเนี่ยมันก็เห็นว่าไม่ควรรับเพราะว่ารับเราเป็นภาระกับประเทศชาติเป็นภาระจริงหรือเปล่าในระยะยาว น, นี้ก็อย่างที่ว่ามันเทียงกันได้ แต่ว่าสังเกตว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มองกับชาวพุทธอะไรหลายคนก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะเท่าที่ดูเขาเขียนคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็รู้จักบ้างบางคนแต่ว่าเขาเขาสวมเขาสวมหมวกคนไทยมากนจนกราท้่งเข า, ขเขาไม่ได้มองจากมุมของของชาวพุทธนะ คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนี่อยู่ตนนาลตาก็ต้องช่วยนะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดสรารตะมากว่าช่วยแล้จ ะ, จะจะจะมีจะเป็นภาระอะไรมากแค่ไห น, นแล้วก็ถ้ามองแบบถ้าตามไนที่มองอย่างอย่างคนไทยนัก็จะเกิดการแบ่งพวกว่าไอ้นั้นมันพม่าไอ้นั้นโรฮิงยาเกิดความรู้สึกเป็นคนละพวกคนละฝ่ายซึ่งทาให ความเมตตากรุณาลดน้อยลงถ้ามองแบบชาวพุทธเนี่ยมันก็เห็นว่ามันต้องช่วยคนกำลังจะตายเรื่องเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนช่วยแต่ช่วยก็ต้องมีปัญญานะอย่างเช่นว่าถ้าจะช่วยเนี่ยเออมันก็ต้องถ้าเราช่วยประเทศเดียวก็ไม่ไหวนะก็ต้องให้ มาเลเซอินโดเข้ามาร่วมรับภาระด้วยดังนี้ยก็ต้องก็ต้องไปเจรจากันหรือว่าต้องสร้างแรงกดดันอี่ยตอนนี้ทั่วโลกกำลังกดดันไทยมาเลเซียให้อินโดนีเซียให้รับบางทีปัญหาต่างในถ้าเรามองจากมุมของคนไทยอย่างเดียวมันไม่พอนะหรือบางคนก็ติดกับความเป็นไทยมาก จะลืมความเป็นมนุษย์ไปจริงถ้ามองแบบพุทธนะั่นก็คือมองว่าทุกคนจะเป็นเพื่อนมนุษย์นะถ้าเรามองแบบพุ้ธเนี่ยมันจะมันจะไม่สนใจสมมุตินะว่านี่โรฮิง ญ, ญานี่พมา่านี่เวียดนามมันจะเห็นคนทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเมื่อเป็นมนุษย์เหมือนกับเราออกมาเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ควรช่วย คนเรามันมีหัวโขนหลายหัวโขนนะเป็นคนไทยเป็นคนอีสานเป็นคนกรุงเทพนะเป็นเสื้อแดงเป็นเสื้อเหลืองเป็นสิกเก่าธรรมศาสตร์สนะิกเก่ า, าจุฬาจป ร, รอเป็นทาหารเต็นิโซะ แต่บางทีเราเรายึดติดกับมันมากจนกระทั่งคิดว่ามันคือเรายึดติดกับหัวโขนมากจนกระทั่งคิดว่าเนี่ยนั่นคือตัวเราจริงๆแต่จริงๆเนี่ยเราก่อนที่เราจะเป็นคนไทยก่อนที่เราจะเป็นคนอีสานก่อนที่เราจะเป็นคนกรุงเทพก่อนที่เราจะเป็นเด็กธรรมศาสตร์จุลาเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราเราเป็นมนุษย์ก่อนเราเป็นมนุษย์ก่อน มองแบบพูดเนี่ยคือการมองว่าเราทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ยจริงๆแล้วมันมีไม่มีเส้นแบบ่งแม้กระทั่งระว่ามนุษย์กับสัตว์ด้วยนยะตัวเป็นเพื่อนลมโลกนักปฏิบัติทันเนี่ยต้องอย่ามองอะไรจากอย่าสวมอย่าสํานึกแต่ว่าตัวเองเป็นคนแค่เป็นคนไทยเท่านั้นนหรืออย่าติดหัวโขนความเป็นคนไทยเท่านั้ น, นมันต้อง เราไม่ต้องวางหัวคขนี้ลงเพื่อที่เราจะได้เป็นมนุษย์แล้วก็มองเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์เหมือนกับเราอันนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยได้ตำหนักเท่าไหร่นะนอกจากปฏิบัติธรรมตำนานมากนี่ก็ยังทิ้งความเป็นไทยไม่ได้หรือว่ายัางยึดติดความเป็นไทยมากทั้งที่ความเป็นไทยบางทีมันเป็นอุปสรรคขัดขวาง อย่างเช่นถ้าเรามีความติดกับความเป็นไทยมากเนี่ยนะเราก็จะต้องเกียดพมา่าหรือว่าเราก็จะเราก็จะคิดว่าการไปเอาเปรียบเขมรเอาเปรียบลาวนี่เป็นของดีเพราะว่ามันทำให้เกิดประโยชน์ผลประโยชน์กับเมืองไทยแต่ถ้าเรา กลับมาเป็นชาวพุทธนะหรือกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าการทําสิ่งไม่ถูกต้องเป็นการเบียเดเบียนเพื่อมนุษย์ที่มีปัญหาอะไรปัญหาเนี่ยมันย่ําแย่หลงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันติ ด, ด่กับความเป็นความเป็นชาติของตัวเองเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกร้อนเนี่ยโลกร้อนตอนนี้เนี่ยมัน เป็นปัญหาร่วมกันของมนุษย์ทั้งโลกเลยแต่ว่าไม่มีประเทศไหนที่จะพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมากทั้งที่ทะเลมกาลังเพิ่มกำลังกลังจะระดับน้ำทะเลกาลังเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆพวกนี้เนี่ยเพียงแค่ถ้าคิดยาวไกลหน่อยคิดถึงลูกถึงหลานบางหนึ่งก็ จ, จะเกิดความตื่นตระหนก ้ตื่นตระหนักตื่นตั ว, ตตวแต่ก็ไม่นะเพราะมันจะยึดความเป็นชาติมากจีนนี่ก็ชัดมากเลยไม่ยอมจีนชาติจีนต้องยิ่งใหญ่งั้นกูจะต้องปล่อยการคำนวณใจให้มากขึ้นเพราะว่าต้องเร่งผลิตอุตสาหกรรมพวกนี้ถ้ามันถ้าคิดถึงความเป็นถ้ามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นหรือว่าถอดวั่วโขนความเป็นจีน เป็นไทยเป็นอเมริกามันจะร่วมมือกันได้ง่ายขึ้นการยึดตินในความเป็นชาติมันกำลังจะพาพาโลกทั้งโลกนี้ไปสู่หาย น, นะแต่ก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็พาผู้คนไปเบียดเบียนกันหรือว่าใจไม่สารการรมต่อกันอย่างฮลูินยาเนี่ยพอพอคิดว่าเราเป็นไทยนะั้นมันก็เราก็ไม่ค่อยอยากจะรับมันเท่าไหร่ มันเป็นภาระแต่เราลองคิดแบบชาวพุทธดูบ้างปฏิบัติทมทั้งทีมมันต้องใช้ความเป็นพุทธเข้ามาแทนความเป็นไทยไม่เป็นต้องทุกกรณีแต่ว่าในเรื่องสำคัญคญถ้าเป็นพุทธแล้วลืมถ้าเป็นไทยแล้วลืมความเป็นพุทธหรือว่าลืมความเป็นมนุษย์นี่มันไม่มีประโยชน์นะ แต่คนส่วนใหญ่เป็นงั้นนะพอเป็นไทยแล้วก็ลืมความเป็นพุทธไปลืมความเป็นมนุษย์ไปบางทีปฏิบัติธรรมกันมาแท่เป็นแทบตายก็ยังมองแบบแบบไทยแบบพมา่าแบบแบบลาวลืมความเป็นมนุษย์ลืมความเป็นพุทธไป อันนก็แสดงว่ามันไม่สามารถที่จะรู้ทันไอ้สมมุติหรือว่าหัวโขวนที่สวมอยู่ปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเราไม่รู้ทันสมมุติไม่รู้ทันหัวโ ข, วขวนนี่มันก็ยังจมอยู่ในความทุกข์ยากที่จะจบสิ้นได้ก็ฝ่าวิประเด็นมันไม่เป็นอะไนเรื่องโรหิตยาอย่างเดียวเป็นเรื่องของ การมากลับมาสํารวจตัวเรานะว่าเราเป็นเป็นไทยหรือเป็นพุทธมากกว่ากันหรือว่าเราเป็นไทยหรือเป็นมนุษย์มากกว่ากันสองอย่างนี้บางมันก็ไปด้วยกันนะแต่หลายกรณีมันไปด้วยกันไม่ได้อย่างที่เล่าน เ, าเดี๋ยวนี้ผมก็จะต้องเดินทางนะพรุ่งนี้ก็จะไปวันนี้เข้ากรุงเทพพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปยุโรปนะก็ไปไปบรรยายนะ ในหมู่คนไทยตามประเทศต่างๆก็มีบรรยายตลอดทุกทิตย์นะอันนี้เทียเท่ย น, ยนี้ก็ไปหลายประเทศอยู่สนะี่ห้าประเทศรวมทั้งอิสาราเอลด้วยอิสาราเอลนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันแต่ฆ่ากันตายอยู่แล้วไนงะระหว่างยิวกแบบับปาเลสไตนะ์ด้วยเรื่องาศาสนา คนนี้ติดยึดความเป็นความเป็นชาติมากนะแล fall. ้วติดยึดความเป็นศาสนิกมาจนลืมความเป็นมนุษย์ไปบางทีไปยึดติดความเป็นพุทธนี่ลืมความเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้นะอย่างพูกอิสราเอลนี่ก็พวกยิวก็ติดยึดความเป็นยิวพวกเปอร์เซียติ์ที่ความเป็นอิสลามเลยลืมความเป็นมนุษย์ไปศาสนามือนกับเป็นอุปสรรคเหมือนกัน ไปเที่ยวนี้ก็ก็ไปนานเพราะว่าเขาเขาเตรียมการกันมานานเลลวง น, นจองกันล่วงหน้านสามปีเพราะอยาบไปแต่เมื่อปีที่แล้วก็ไปไม่ได้ปีนี้ก็ก็สนองศรัทธาขึ้นมาแล้วก็กากรรมมาก็เดินหน้านนะรับกลับพระ ทาสมางพุทโธาวาตุาวันาทวาเทวะาโตพรสวัสดิธรรมโอธรมมนัมสัมสุปติปันโนพรวัสโตาัสันโสดสันทานัม